บัรนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธารชนทั้งหลายสืบต่อไปการปฏิบัติในธรรมะในทางพระอุทธศาสนานั้นเดิงที่ได้เคยกล่าวมาแล้วโดยลำดับว่าขอเพียงผลออกมาเป็นรูปของความรู้ยิ่งความรู้ดีความดับเท่านั้น ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักในพระพุทธศาสนาแล้วแม่ระยะแห่งธรรมะที่ทรงจำแนกแสดงเอาไว้ซึ่งนำมาเกาะกลุ่มเป็นหลักของริยสัตร์ทั้งสีประการก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือกลุ่มที่เป็นทุกข์สัตว์มีคณาปินตนนั้นเมื่อบุคคลได้กำหนดปรับจิตยอมรับความจริงได้ สามารถปรงใจให้ตกในเหตุการณ์ธรรมชาติธรรมดาเหล่านั้นได้ก็จะกอให้เกิดเป็นความสงบความเยือกเย็นขึ้นภายในใจในส่วนของพวกกิเลสทั้งหลายซึ่งมีชื่อแตกต่างตรมการของกิเลสเหล่านั้นที่ทรงจำแนกแสดงเอาไว้เป็นนันมากจนถึงกับเป็นกิเลสพันหอย่างที่ทราบกัน แต่แท่จริงแล้วทหาก บ, บุคคลสามารถปฏิบัติเพื่อสงบระงับแห่งกิเลสเหล่านั้นลงไปได้ก็จะกลายเป็นความรู้ยิ่งความรู้ดีความดับอีกสายหนึ่งในส่วนที่เป็นเป้าหมายคือกลุ่มผลทั้งหลายโดยเน้นไปที่อริยผลคือผลจากการเป็นพระยะเจ้าถ้า บ, บุคคลสัมผัสได้ ก็จะกลายเป็นความรู้ยิ่งความรู้ดีความดับเช่นเดียวกันแต่จุดเด่นที่มีความสำคัญก็คือเน้นที่ตัวอริยมรรคคือกลุ่มของพวกกุศลธรรมส่วนเหตุทั้งหลายที่ทรงสั่งสอนไว้โดยนัยาต่งตางๆมากบางน้อยปางในครั้งที่ทรงแสดงเป็นการแสดงตามพื้นฐานของผู้ฟังในขณะนั้น เดีองค์ทำนั้นพึงสังเกตว่าแม้เพียงข้อเดียวเท่านั้นเองถากว่ามีจุดเริ่มต้นโดยการประฤปฏิบัติที่ถูกตรงตามที่ทรงแสดงไว้ผลคือความดีงามทั้งหลายก็จะบังเกิดขึ้นเป็นความรู้ยิ่งเป็นความรู้ดีเป็นความดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้คราวนี้พึงลองสังเกตการปฏิบัติของพระเวสสันดรโพธิสัตว์ คืเรามองไปในแง่ของความเป็นฐานเป็นจุดเริ่มต้นคือเริ่มต้นที่ฐานการให้แต่พระเวสส ד อ ר ก็มีศีลมีการออกบวชมีปัญญามีความเมตตามีความตั้งใจมั่นมีสัจจะมีอธิษฐานมีคันติก็เกิดขึ้นมาโดยลำดับในพวกบารมีศีทั้งหลายมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันออกไป เป็นสูตรของพวกกุศลธรรมทั้งหลายที่เมื่อมีการเริ่มต้นโดยกุศลธรรมจะเป็นข้อใดก็ตามกุศลธรรมที่ใกล้เคียงกันกับตนและกุศลธรรมเหล่าอื่นก็จะเปิดเกิดเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทำนองคล้ายๆกับเราเดินไปบนถนนและไปเจอเพื่อนก็ชวนเพื่อนเดินไปด้วยกัน ในขณะที่เราเดินไปนั้นเราอาจจะเจอเพื่อนของเราอีกคนหนึ่งเราก็ชวนไปด้วยแล้วอาจจะเจอเพื่อนของเพื่อนเพื่อนก็ชวนไปด้วยและตัวเพื่อนของเพื่อนนั่นเองเมื่อเดินไปด้วยกันเป็นหลายคนขึ้นแกก็ชวนเพื่อนของแกออกมาเร่เพราอกลายเป็นกระบวนคนที่เดินไปด้วยกันโดยมีความเกี่ยวข้องกับคนที่เดินอยู่ก่อนในชั้นต่างๆ ผลจากการปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันท่านใช้คำว่าเป็นเหตุปัจจัยของกันอะไกันก็จะสนับสนุนส่งเสริมกันประเด็นสำคัญจึงมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการบวชเข้ามาเป็นภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาเป็นนั้นมากตามประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณกัน แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้บวชเป็นคนส่วนน้อยนิดเท่านั้นเองประมาณแสนกว่าคนทั่วประเทศที่ข้ามบวชแต่เพิ่งสังเกตว่าเอาก็จริงโดยเนื้อหาสาระแล้วในการบวชนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เน้นไว้ที่รูปแบบคือการโกนผมกงหนวดน่องผมป้ากาสายะถือเป็เป็นปฏิชิตอย่างที่เขาบวชกัน การบวชในลักษณะนั้นเป็นวิธีหนึ่งในหลายๆวิธีแต่นั้นเองซึ่งหมายความว่าในแง่ของธรรมปฏิบัติแล้วบุคคลที่อยู่ในเพศในสถานะเหล่าอื่นเช่นเป็นวาสกเป็นวาสิกาซึ่งเป็นชาวบ้านอยู่ครอบครองเรือนนี้ก็สามารถที่จะบวชได้ที่เราใช้กันในปัจจุบันว่าบวชใจ จริงคำว่าบทใจก็มีที่ไปที่มาทําในยะแห่งพระพุทธธรรมรัตที่ทรงจําแนกประเภทของคนไว้ในส่วนนี้เป็นสี่ประเภทด้วยกันโดยทรงใช้คำว่าออ ก, กออกจากอานาจของกิเลสออกจากอานาจของความทุกข์ออกจากความเกี่ยวข้องบุบวายในทางโล ก, กียวิสัยทั้งหลายโดยจําแนกไว้เป็นสี่ประเภทประเภทแรกเรียกว่ากายก็ไม่ออกใจก็ไม่ออก หลแก่ในในคนที่ปล่อยกายปล่อยใจหมกปุ้นบุนวายอยู่ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปรตุกรามทั้งหลายมีความดีใจมีความเสียใจมีความรักมีความช่งมีความสุขมีความทุก ข, ข์ปนเครากันไปก็เป็นวิถีชีวิตอีกแบบหนึง่งที่มีอาการมืดบอดในด้านการใช้เหตุผลและสติปัญญา แต่คนประเภทนี้ก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าในส่วนใดของโลกก็ตามอย่างการตกเป็นทาส ต, ตกอยู่ในหลุมบ่อของบายมุกยนถอนตัวไม่ขึ้นในขณะนั้นทั้งกายทั้งใจมันก็อยู่กับเอาใบยมุกสิ่งเหล่านี้มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกพระเจ้าทรงทรมเพียงแต่สะท้อนออกมาให้ดูเท่านั้นเอง เป็นการเสนอแนวทางเลือกการดำเนินชีวิตให้แก่บุคคลทั้งหลายผู้สนใจในธรรมประเภทที่สองนั้นกายออกแต่ใจไม่ออกได้แก่การออกบวชเป็นภิกษุเป็นนักบวชในศาสนาต่างๆตามรูปแบบพิธีกรรมที่ได้พบได้เห็นกัน การบวชในลักษณะนี้บางทีก็เป็นเรื่องของประเพณีขนบธรรมเนียมที่จุดถือประพฤติปฏิบัติกันมาเท่านั้นเตรียมวันศึกไว้ตั้งแต่ก่อนบวชแล้วจะทาไปบอกว่าจะบวชเจ็ดวันสิบห้าวันหกวั น, นเดือนสองเดือนสามเดือนอะไรต่าไหรรก็ว่ากันไปส่วนใหญ่จะดูเรื่อศึกไว้แล้วแมายความเอาก็จริงมันก็มีเฉพาะรูปแบบ เป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของความเป็นนักบวดแต่ใจไม่ได้ลดละบรรเทากิเลสให้มีความจางไปคลายไปซึ่งบออไปบรนเทาไปเพราะการบวชประเภทนี้เวลาสึกออกมาท่านจึงเรียกว่าหวนย้อนกลับมาเพื่อความเป็นคนตกตาเหมือนเดิม เป็นการตกตามทางจิตวิญญาณเป็นการตกต่ำทางพฤติกรรมที่บุคคลเรานั้นแสดงออกไปตามอำนาตของกิเลส ท, ทั้งหลายยังไงก็ตามการบวชประเภทนี้จําเป็นจะต้องมีเพราะเป็นประเภทนี้เป็นการช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่าที่ตนจะทําได้เพียงแต่ว่าเปิดโอกาสไว้แก่คนจํานวนจํากัด ตอนที่เราไว้ในตอนต้นว่าก็มีเป็นแสนได้แต่นึ่งประมาณเจ็ดแสนคนในแต่ละปีและในสุดพอออกภรษ า, าก็สึกออกไปอันสืบออกไปนั้นส่วนหนึ่งก็จะเหลืออยู่ซึ่งมีประมาณ 2- อเซแต่ในขณะเดียวกันก็ดึงพระเก่าออกไปอีกประมาณ2อเอซอัตราของพระสงฆ์ในเมืองไทยจึงคงเดิม อ, อยู่ในลักษณะนี้มาตลอดระยะเวลานา น, น นี้แสดงว่ามีการถ่ายเทเข้าไปออกไปบ้างเข้าไปบ้างเข้าไปชดเชยส่วนที่บกพร้องกันอยู่การบทที่น่าสนใจที่สุดจึงอยู่ในประเภทที่สามเป็นการออกแต่ใจแต่ว่ากายไม่ออกกรีท่านสาธารชนทั้งหลายเพื่อนสังเกตว่าแม้เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อารมณ์เรื่องราวต่างๆเป็นนันมากก็ตาม แต่หากว่าเราไม่กระโจนลงไปร่วมด้วยเรื่องเราด้า น, นก็เป็นอย่างที่เขาเป็นเราก็อยู่อย่างที่เราอยู่มันไม่เกี่ยวข้องกันคือดูที่เป็นรูปธรรม ง, ง่ายๆชัดกกๆก็เช่นใล้ๆกับเราไปอยู่ในแวดวงที่มีการทะเลาะต่อสู้ทุกตีประหารประหารกันวุ่นวายไปหมดเราเดินผ่านไปเฉยๆหรือว่าดูเฉย ไม่เข้าไปพวกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับบุคคลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคนอื่นก็คงต่อสู้กันไปแต่เราก็ไม่ได้ต่อสู้กับเขาตหล่นั้นในขณะที่เขาบาดเจ็บทุกข์ทรมานเดือดร้อนกันด้วยประการต่างๆนั้นเราก็ไม่บาดเจ็บไม่ทุกข์ทรมานไม่เดือดร้อนเป็นรูปธรรมที่มองได้ง่ายๆแต่จะถามว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าใจเราไม่เข้าไปร่วมกับเขา เราไม่ได้คิดอย่างที่เขาคิดเราจึงไม่ได้ทําอย่างที่เขาทําเราจึงไม่ได้พูดอย่างที่เขาพูดในเมื่อเขาคิดเขาทาเขาพูดนํามาซึ่งความเดือดร้อนการเบียดเบียนเข่นข่าปัสสาวะกันเราไม่คิดไม่ทาไม่พูดอย่างเขาเราก็ไม่เดือดร้อนอย่างเขาทั้นวิธีที่ออกจะพ่อใจนั้นหมายความว่าเราก็อยู่ท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายนั่นเอง คงมีรูปทั้งดีทั้งไม่ดีเสียงทั้งดีทั้งไม่ดีกลิ่นทั้งดีทั้งไม่ดีรสทั้งดีทั้งไม่ดีสัมผัสทั้งดีทั้งไม่ดีตามคติธรรมดาของโลกเพียงแต่ว่าบุคคลมีปัญญารู้เท่าทันถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นเป็นลักษณะบางครั้งท่านใช้คำว่ารู้ตัวทั่วพร้อม บางครั้งก็ใช้คำว่าปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงที่บังเกิดขึ้นแล้วปฏิบัติตนให้เหมาะสมแก่สถานะของตนใจไม่เข้าไปคลุกคลากับมารมไม่ไปผูกพันยึดติดกับเรื่องเหล่านั้นเป็นการแยกกันจากเรากับสิ่งเหล่านั้นซึ่งว่า่จริงมันก็แยกกันมาแต่ก่อนแล้ว เพียงแต่ที่สร้างปัญหาเิ่นสังเกตดูง่ายๆในชีวิตประจำวันของคนความเป็นสามีพัญญาการความเป็นเพื่อนกับเพื่อนเป็นต้นนั้นที่จริงเมื่อก่อนมันเริ่มจากไม่ไม่เป็นกันไม่เป็นสามีพัญญาการไม่รู้จักการในท้งไปในขณะนั้นบุคคลแต่ละฝ่ายก็คงจะประสบปัญหาสารพัดเหนกันแต่เมื่อคนหนึ่งประสบ อีกคนหนึ่งก็ไม่เดื อ, รอดร้อนอะไรทันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะใจยังไม่ได้เกี่ยวเกาะว่าเป็นสามีของเราเป็นปัญญาของเราเป็นเพื่อนของเราเป็นพวกของเราคือของเรายังไม่ไปยึดไปในทุกทั้งหลายที่เรียกว่าประกิจนะกิทุกมีความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแย้นใจต่างๆซึ่งเกิดขึ้นร่วมกันระหว่างสามีปัญญาเพื่อนกับเพื่อนเป็ น, นต้นนั้น ก็ไม่เกิดขึ้นจะาถามว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อใจของบุคคลทั้งสองฝ่ายไปยอมรับสถานะของกันและกันวันนี้เป็นพัญญาเรานี้เป็นสามีเรานี้เป็นเพื่อนเรานั้นเป็นเพื่อนเราความห่วงใยความอาทรความมิตรกงังวลในฐานะที่มีความรู้สึกเป็นของเราก็เกิดขึ้นเพราะเวลาสิ่งใดที่ไม่ดีเกิดขึ้นแก่ของเราหรือแก่คนของเรา ที่เกี่ยวข้องกับเราในฐานะใดก็ตามเราไปเชื่อมโยงให้เกี่ยวข้องกับเราความทุกข์ความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นแก่เราด้วยแต่านท า, ท, าที่จริงแล้วความทุกข์ในลัตนนันท์นี้ก็เคยเกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลนั้นมา ก, ก่อนเพียงแต่ว่าในเมื่อก่อนหน้านั้นเราไม่ได้เอาผูกพันไว้กับเราเท่านั้นเองความเดือดร้อนจึงไม่ได้เกิดขึ้นการปฏิบัติในแนวนี้ ในทางพระพุทธศาสนานั้นได้มีเปิดโอกาสไว้สมัครบุคคลทั้งหลายเรื่อยไปนะฮะจนถึงประนาคามีบุคคลทีเดียวหมายความว่าระดับพระยะสาวกนั้นที่จริงแล้วก็ไม่ได้ผูกขาดไว้ที่พระเดนี้บางคราวบางคราวเราไปหลงประเด็นว่าเช่นมีการว่าการพูดกันว่าผู้หญิงมีสิทธิ์ที่บรรลุธรรมได้แต่สังคมให้โอกาสเราจะเห็นว่าเป็นคนละเรื่องกัน คือสังคมไม่ได้มีใครขัดขวางและการบรรลุธรรมนั้นก็เป็นเรื่องที่ทั่วไปแก่คนทั้งหลายตั้งแต่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาแล้วมีทั้งผู้หญิงผู้ชายบรรลุธรรมกันแล้วหน้าตัวเลขผู้หญิงอาจจะมากกว่าได่ทำไปแต่ก็บรรลุในฐานะของท่านไม่จำเป็นจะต้องบวชเสก่อนจึงบรรลุ คือเป็นพระโสดาบันก็ได้ตะกีตคาก็ได้อนาคาก็ได้โดยเป็นคารวะนั่นเองเพราะจริงๆความเป็นพระยาบุคคลไม่ได้อยู่ที่รูปแบบไม่ต้องข่มจีวรโกล น, นผมโกลคิ้วอะไรแต่เป็นอยู่ที่ใจซึ่งส ง, ง, งบกิเลสหรือตัดกิเลสขาดออกไปพระยาบุคคลจึงเป็นได้ทุกทั้งพระทั้งคารวะ ทั้งภิสษุนิกษุนีทั้งอุบาสกอุบาสิกาก็เรียกว่าโปรกลกรมของพุทธบริษัทนี่ก็เป็นได้ด้วยกันทั้งนั้นโดยสายการปฏิบัติโดยตามแนวที่เรียกว่าใจออกกายไม่ออกหมความว่าแม้เราจะเกี่ยวข้องอยู่ในแวดวงของสิ่งทั้งหลายเราอาจจะเข้าไปในตลาดซึ่งมีการขายของเล่นเป็นมันมาก แต่ใจไม่ได้เอื้อมไปด้วยความอยากได้ของเล่นเหล่านั้นก็เป็นของเล่นเหล่านั้นก็วางอย่างที่ก็วางอยู่จะไม่มีอิทธิพลอะไรต่อใจเราเดินผ่านไปโดยไม่มีเยื่อใยอะไรตอนเพราะอะไรเพราะว่าตอนพบนั้นเราไม่ได้กำหนดด้วยความคลายความพอใจไว้เพราะการจากไปจึงไม่มีเยื่อใยอะไร แต่การที่มีเยอะใหญ่อันไล่มีความโศก ก, การพ ร, พราดพลาดจากคนจากสัตว์อันเป็นที่รักนั้นเป็นสังเกตว่ามันขึ้นอยู่กับใจที่ไปกําหนดสถานะของบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นที่รักเป็นที่พอใจของตัวเองบางทางที่ความคิดเหล่านั้นมันไม่เกิดมาก่อนมันเพิ่งเกิดในตอนหลังนั้นในการปฏิบัติในระดับต่างๆที่ทรงแสดงไว้นั้นเช่นว่า เวลาอารมณ์อะไรก็ตามที่มากระทบเป็นเรื่องสิ่งที่เป็นธรรมชาติธรรมดาก็ อ, อยู่ในกลุ่มของขันห้านั้นก็สงสอนให้รู้เท่าทันถึงสถานะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นเพราะสถานะที่แท้จริงเขาเป็นยังไงอย่างผู้ที่น่าปรารถนาที่ท่านใช้คาว่าโลกกระมสุตติน่าปรารถนา กลาบยศสรนสนสุขแต่ก่อนไม่เกิดเวล น, นี้มันก็เกิดแต่เมื่อมันเริ่มเลยไม่เกิดแล้วมันก็เกิดก็แสดงว่าต่อไปมันก็ดับเพราะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาแล้วจะจบลงที่ดับไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับแล้งใจเขารู้ทั้งเบื้องต้นทั้งเบื้องกลางทั้งเบื้องปลายทั้งสิ่งเหล่านั้น อย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าโลกธรรมนั้นเกิดขึ้นแก่ปุตุชนกับภริยะเหมือนกันเพียงแต่ว่าปัญญาที่รู้เท่าทันทั้งความจริงของสิ่งเหล่านั้นมีไม่เท่ากันเท่านั้นเองเพราะนั้นปุตุชนทั่วไปเวลาสิ่งเหล่านี้บังเกิดขึ้น ก็จะกาหนดด้วยอำนาจความกาหนัดและจะมีความชื่นชมยินดีเพริดเพลินเรืองหลงหมกมุ่นบุญวายสยบติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นในขณะที่ถือครองอยู่ก็จะมีความห่วงใ ย, ยวิตกกังวลพอสิ่งเหล่านั้นแปรผันไปก็จะเกิดความสศกเศร้าเสียใจพูดง่ายว่าเป็นการหาเรื่องมาให้ใจตัวเองมีปัญหา ประกปัญญาเป็นเครื่องรู้เท่าทันทั้งความจริงแต่เวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่พระยาบุคคลในความเป็นลาภเป็นยศเป็นสันเสริญนั้นมื่งเหมือนกันแต่ท่านรู้ทั้งเบื้องต้นทั้งเบื้องกลางทั้งเบื้องปลายเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านเป็นการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแต่ในท่ามกลางนั้นจะมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายไป เบื้องปลายก็คือแตกทำลายไปช่วงสั้นบ้างช่วงยาวบ้างตามธรรมดาของเหตุปัจจัยที่มาประกอบกันเพื่อเป็นสิ่งเหล่านั้ น, เ ม, นเมื่อเป็นการมองเห็นทั้งเบื้องต้นทั้งเบื้องกลางทั้งเบื้องปลายเช่นนี้เป็นการเกี่ยวข้องอย่างมีความรู้เท่าทันทั้งความจริงที่ระดูประมาเหมือนกับการยืมของคนอื่นมา ร, รู้ั้งเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องปลายว่าของนี้เป็นของที่เรายืมมามีกําหนดเช่นว่าห้าวันวนวันเวลามันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในช่วงกลางของนี้ใกล้ต่อการส่งคืนอยู่ทุกวินาทีพราะพอถึงห้าวันเราก็ส่งคืนก็จบเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าตั้งแต่ต้นแล้วว่าอีกห้าวันนั้นจะต้องส่งเขา่า การเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งหลายของพระยาบุคคลก็มีลักษณะอย่า ง, างนั้นพอสิ่งที่ดีเกิดขึ้นท่านก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่สิ่งเหล่านี้มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเกิดก็เกิดตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ดับก็ดับทุกจุดนั้นมีความรู้เท่าทันทั้งความจริงเพราะช่วงเกิดก็ไม่กําหนดเริ่องนะัน้นาจของความกําหนัดเพื่อเพลินยินดีระเรืองลง ช่วงตั้งอยู่ก็ไม่อยู่อย่างวิตกกังวลค่วงใจมีการป้องกันมีการราาักขามีการหวงแขนเวลาสิ่งเหล่านั้นเสื่อมทำลายไปแตกไปตามธรรมดาของเขาก็จะมีความรู้สึกาคล้ายๆกับส่งของขื่ไปดังกล่าวมีความสงบเยือกเย็นไม่เดือดร้อนวุ่นวายกับเรื่องเหล่านั้น ในส่วนของโลกธรรมที่ไม่น่าปรารถนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้ารู้ทั้งเบื้องต้นทั้งเบื้องกลางและเบื้องปลายพอมันเกิดขึ้นมาจะเข็ดปัจัยแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางแล้วก็เสื่อมสลายไปในที่สุดเวลามากบ้างน้อยบ้างเช่นเดียวกันปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงจะทําหน้าที่คุ้มครองจิตใจของบุคคลเอาไว้ ไม่กำลังเพลิดเพลิน เ, พนเมื่อเกิดขึ้นไม่ห่หวงแขนรักอารักขาป้องกันจนตัวเองเดือดร้อนในท่ามกลางและไม่เศร้าโศกเสียใจเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่ดีอกดีใจเมื่อสิ่งเหล่านั้นแตกทํำลายไปนี้เป็นหลักการปฏิบัติที่ลักษณะที่เรียวกวรู้เท่าทันต่อพวกอารมณ์แต่บางอย่างเป็นเรื่องของกิเลส เป็นความโลภความริษยาความอาฆาตความจองเวทต่างๆเป็นต้นมันเกิดขึ้นก็รู้ตามความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกัน ใ, นใจเราแต่สิ่งเหล่านี้เป็นของที่ไวนเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเขาเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายต้องรีบดับ จะปล่อยให้แปรปรวนเปลี่ยนไปแปลงไปลาตามการเวลานั้นไม่ได้ก็ต้องรีบปันเทาสึกกระงับ้บกับมันก็มองคล้ายๆกับไฟเริ่มลุกไหม้ขึ้นที่บ้านต้องรีบดับตั้งแต่ตอนต้นไม่ใช่ปล่อยลุกไหม้อยู่แล้วก็ไปดูเบื้องปลายว่าไหม้ไปได้กี่หลังวิธีการนั้นไม่เหมือนกันวิธีการที่เกี่ยวกิเลสนั้นจะต้องมองเมือ่อไฟไหม้จะต้องพยายามรีบดับให้ได้ในขณะนั้ น, น, น พอจะเกิดความโกรธความโลภความหลงความริษยาความอาฆาตการจองเวรอะไรก็ตามก็ดับได้ในขณะนั้นทั้งสองวิธีที่กล่าวมาแล้วนั้นพึงสังเกตว่าใจเราจะออกจากอํานาจของกิเลสออกจากอํานาจของอารมณ์เกี่ยวข้องกับกิเลสเกี่ยวข้องกับอารมณ์ยังมีความรู้เท่าตันแต่พวกอารมณ์ทั้งหลายนั้นท่านไม่สอนให้ทําลายพึงสังเกตว่ามันเป็นทรัพย์ มันเป็นวัตถุสิ่งของที่มีค่ากําหนดขึ้นเป็นตัวเงินได้ถ้าสอนไปทําลายสิ่งเหล่านั้นมันก็กลายเป็นนทินนาทานเพราะเราจึงมาปล่อยเขาให้เป็นไ ป, ไปตามเหตุปัจจัยเพียงแต่เราไปกําหนดรู้เท่าทันในช่วงเกิดช่วงตั้งอยู่ช่วงดับไปของสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นซึ่งผิดกับพวกกิเลสกิเลสมันไม่ใช่ทรัพย์แต่เราทําลายกิเลสนั้นไม่มีใครเดือดร้อน เราเองก็รับความสุขความสบายพราจารย์ก็สอนให้ดูจิตเราในแต่ละขณะจนสามารถทำได้ในแต่ละขณะเกิด ค, ความโกรธเห็นเป็นโทษเราก็ดับความโกรธเกิดความโลภเห็นโทษกระดับความโลภเกิด ค, ความลงเห็ะโทษกระดับความหลงแน่นอนไม่ใช่เป็นเรื่องทาวรแต่เป็นการดับในระดับของอารมณ์นั้นๆ ความสงบเย็นภายในใจก็จะบังเกิดขึด้นใจในขณะนั้นก็ออกจากอํานาจของวัตถุการมกิเลสกะหือาอาจจะหลายนาทีหลายวินาทหาีหลายชั่วโมงหลายวันอย่างน้อยก็ได้เป็นขณะขณะไปนะฮะขณะมันก็ต่อกันก็เป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเอง เป็นเรื่องของการสอนให้ใช้ปัญญาวิเคราะห์สวจสอบสิ่งทั้งหลายถึงฐานะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นและปฏิบัติตัวในเหมาะสมแก่สฐานะของสิ่งเหล่านั้นยามใดที่เกิดธรรมปีติความสุขความสงบความเยือกเย็นเป็นผลจากการพิจาราปฏิบัติความดีก็พยายามประคับประคองจิตเอาไว้ให้รมหล่อนั้นอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ ไม่ถึงกับเป็นอริยผลเราไม่ใช่พระยะบุคคลแต่ว่าคุณภาพของกิจนั้นอยู่ในแนวเดียวกับพระยะบุคคลแม้จะคนระดับกานก็ตามนั้นก็คือจะมีความถือตัวถือตนน้อยลงความเครือบแครงสงสัยในคุณพระทันไรเป็นต้นน้อยลง การถือมั่นด้วยศีลด้วยวัา ด, ด้วยข้อปฏิบัติที่กำหนดกันว่าอย่างนี้เท่า น, นั้นถูกต้องอย่่ไม่ถูกต้องเป็นต้นมันก็จะบรรเท่าลงไปใจของบุคคลในขณะนั้นก็ได้ความสงบความเยือกเย็นอย่างน้อยก็อบอุ่นกว่าที่เคยร้อนมาก่อนในเช้นนี้ใจมันก็ออกจากกิเลสในช่วงนั้นๆถึงอาจจะยาวหรือจะสั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ได้ออกไปจากอำนาจของกิเลส เพราะตะกิเลตยังมีอยู่แล้วใจจะคิดอย่างนั้นไม่ได้ใจจะรับผลเช่นนั้นไม่ได้เพราะผลของกิเลตนั้นจะเป็นความร้าร้อนแผเผาหลุนแรงจนถึงกับอาจจะตกนรกหมกใหม่ไปด้วยผลแหกกรรมที่เขาก็ทำเอาไว้อย่างต่อนเนื่องจากน้น ในส่วนผลของมารกษ์คือคุณธรรมทั้งหลายนั้นบันึกสังเกตว่ามันก็มีอยู่ทุกผลทุกแห่งเช่นเดียวกับกลุ่มธรรมะข้ออื่นอาจจะมีตัวกระตุ้นจากข้างนอกหรือไม่มีตัวกระตุ้นแต่ ว, ว่าเป็นความเหนียวนึกความจึกนึกของเราเองนำให้กุศลละธรรมก็ไใดข้อหนึ่งบังเกิดขึ้น เราก็จะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงภายในจิตเช่นศรัทธาบางเกิดขึ้นในวัตถุในบุคคลใดก็ตามความเครือบแครงสงสัยความไม่แน่ใจความไม่เชื่อในบุคคลนั้นก็จะบรรเทาไปจนถึงก็มีกำลังมากขึ้นสามารถที่จะเสียสละละวางสิ่งที่ทนยึดเหนี่ยวไว้เป็นของตนแก่บุคคลผูนั้นได้ พระสัตยาซึ่งมีความผ่องใสเป็นลักษณะนั้นจะทําหน้าที่กระจัดได้ทั้งโมฆะทั้งราคะทั้งโทสะเนื่องจากกิเลสเราใ เ, เป็ น, เ ป, นเป็นกิเลสประเภทสนิมเป็นกิเลสประเภทขุนมัวแต่ว่าสัตยาเป็นธรรมะประเภทที่ป่องแผ้วเมื่อมันก็เกิดขึ้นแล้วก็จะทําปฏิกิยาต่อบรรดากิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นคู่ปรับกระตนโดยตรงและเป็นคู่ปรับโดยอ้อมคล้ายๆกับ บุคคลรับประทานยาเข้าไปเพื่อมุ่งขจัดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแนนอนบางคราวมันก็มีโรคแทรกซ้อนแต่สิ่งที่เราไม่ควรลืมก็คือว่ายาเองก็ให้ผลประโยชน์แก่ชีวิตของบุคคลนั้นในลักษณะที่แทรกซ้อนคือไม่ใช่ตัวตรงแต่ว่าเมื่อธรรมะเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลำแสงที่พุ่งไป กระมองเห็นไป่ลำแสงพุ่งไปข้างหน้าจริงแต่ว่ารัศมีรอบตัวขงหลาแสงแต่อดถึงต้นเหตุที่ออกไปองลาแสงมันก็จ ะ, ะสะท้อนตีกลับมาทำให้สว่างนั้นรอบตัวแต่สว่างมากั็อยู่ข้างหน้าสว่างน้อยก็อยู่ข้างข้างกับตอนข้างหลังธรรมะปฏิบัติมันก็มีลักษณะอย่างนั้น คือส่วนที่เป็นข้าศึกโดยตรงห่อขุนธรรมนั้นจะสงบระ ง, งับไปแต่ข้าศึกที่ใกล้เคียงก็จะบันเทาลดความรุนแรงลงไปถากว่าปฏิบัติได้ในลักษณะนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องบทกายและอาจจะดีกว่าบทกายได้ทั้งไปต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสึกต่อ